ใจนั่นแปลว่าความรู้สึกนามพยาบาทใจอย่าว่าใจนั่นจะยึ่งทีนั่นะยุ่งี่นี้ปวใจความรู้สึกนี้อยู่ัจนั่นเลยปวดใจจะต้องเรียกพนาระทความรู้สึกนี้เสมออมรพนา ไ <c oughs> ม่ให้มันทั้งเคยมันทั้งเคยนี่ยเ่ว่าใหยังหมดทั้ทงตั้งได้มันตั้งได้แค่ลูกยักลร่างกายไปอยู่อีกโนหนึ่งเลยใไปอยู่อีกนนึงไม่เกี่ยวงซึ่งกันและกันเลย อันนั้นเปนวาจตั้งตั้งได้เ่ายังมีอยู่ยอีกเจ้อีจจาปีจิชุกีลกตากนอันนี้พนเนร ว, ว่าเป็นปสกุลมชาในเมืองต้ น, ตนเคล่นขึ้นไปกว่านั้นแล้วปีจิชุกีกาัา เพื่อนไปก็นนั้นแล้วชุเอีกก็ตาเพื่อนไปก็นนั้นแล้วอุปีขาเอีกก็ตาอันนั้นเรียกว่าปีขาเป็นว่างงวดเองก็กตายตัวคิดสิ้นอยู่รูปชุกวะมีอยู่อย่างนั้น <c oughs> อันนี้เรียกว่าจิตั้งก็จะให้เราทุกคนต้องคิดอ่านหมายังินาฟุ้ให้จิตตั้งในี่มันจักจีร้อนจักกี้ชาติแจักกี้หมันเราผ่านจากเ้ามาอีกอะไรพวกสำหรับให้จิตตั้ง คิดตั้งไว้แล้วองอุ่นยานมันเกิดขึ้นเพราะเารอปัจฉนาญารูปรยิอันชีวิตควานยิ้มมีอยู่ที่ใดอันยิ้ถือใดใ ด, ใดทุกอย่าง อ, นน อ, ดดอันนั้นเรียกว่าเป็นทียายาน่พระสวดแห่งโลกขณะวัฏสงายนพุทได้หมดแล้วอันนั้นเรียกว่าเป็นมักคยายนนอกคราบเซลมายานโลกจับได้แล้วว่ามีกคืซขึ้งหลัง ก้าวหน้าไปสู่ปัญญาพเ <c oughs> พราะฉะนั้นตของเราทุกคนพยายามจะให้้งใจจงนี่แหละใจที่จะจงนี้มันจำเข็ดหมุนเข็ดเล็กประชดน้อยเอางั้นะ จริงในที่เป็ี่ยนยม่ยั่งหือิงใดที่มันเปลีนปเหวเราไม่เพิ่ในใจมันมีบาบิ น, บนอยู่แล้วบุญกบบากทั้งซองมันเป็นสมบัชกอมใจอยู่ตลอดมีเ่นพ้องรู้ทุกช่ว มันใช่เอกชนให้เราทุกคนจดจีเนี้ยว่าเราเป็นบุตรชนทุกคนยังไม่กันไดๆมีพัฒนา่าคนที่เก่าขึ้นมาว่าเออมีพัฒนา่าตายเห็นทุก ข, ข์้งในจันตา หูเรีนแต่ทุกขังมีจังร่าตาอ น, นั้นมันมีพัฒนาอย่า ง, งโคโรมันมีข้อใจมันมีดีข้อใจดีอะไรพุกอย่างในโลกของที่ซึกมาแล้ว <c oughs> แต่เด็ก็เรื่องการยึด มันเป็น น, นิสัยรึมาตั้งแต่เด็กจ้าจนกว่าจะมีพัฒนาญาณวันใดเพียงเจตลำนงได้ดปาาัญหาเดี๋ดดนี้เราของเราทุกคนแปลว่าเทดเล็กะสม น, น้อยหุนกะุศลพยายาณตลอดไป อันนี้บุญมากอีกชุดเลยบุญจิงจะรับสารินให้ิ่ได้คิดว่ามันอยู่แล้วเนี่ยมุกอีจานปี๊ปซุกีสง่าอยอะนั้นอันนี้มีอยู่ นี่พเราที่เป็นบุตรชนหน้าที่มันจะไปนรกหน้าที่มันจะไปสวรรค์หน้าที่มันจะไปเป็นเตนเป็นศีหน้าที่มันจะเป็นเป็นนู้นหน้าที่มันจะไปสวรรค์เขามียากที เที่ยวเอะตลอดยิมแต่การน้องรสานปดใดอย่างตั้หลายกันสังคิดบุญกุศลนักตามาใช้งบเยอะเย็กับเปรี้อุปสรรคก็มีติดสุขาวิเนาสัมวยุตตาธรรมา นี้อุปทานนะต้องริษฐีคำคิดไม่สงบอาแนบพันธุ์ว่าทุกขาิษยาธรรมบุญญาธรรมาของทุกยุ่งยากฟุ้งซ่านมันติดทุ ก, กยอย่างเรวดาก็เกิดเกินล่าเริ่ ไม่ได้นึกถึงรูปร่างกายของที่เกิดมาได้โดยเหตุอุปการอย่างไรผพุที่เจ้าพระเทศาเทวดาผู <c oughs> ้ที่นึกรู้สึกในร่างกายไม่เกิดมาจากรุภูมิชนวันดา ทันบุญผู้สนวัดดามันเชิงลงไ ป, ปกับแฟนลูกก็ต้องมนีไปเกิดให้ถึงเองอันนี้เทวดาผู้ ส, สัโซความดีได้มาจเจิา ม, มีศาสนากันแต่เนี่ยมันสู้จับตน้นเหตุการลวจับต้นเประการใน ใ, นใจทุกอย่าง อันนั้นเป็นว่าคนก็เป็นั้นประสบลางต้นคงที่แค่และไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปติดปีติดถึงไปติดซัดเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาก็กตุกขปนมาโเวดาโคลงโคละโทวดา เ อ, าอกาพิิแปลว่าองยามมันเก่รูปจักไรของลึกหลักอะรบางอย่างที่ราสำรักได้นะสำหับคมว่าเอกาพิชิโบราผู้ใดอง่นยามที่เก่ในนี้ตัวความของเรา ไอ้คิดมันอยู่กับตนี่ยมันมันอยู่มันคิดว่าคิดแว้งเดียวกันไปวอไปแว้งก็ได้เราอยู่อย่างนี้ตเราไปเราพ่อหน้านี่แปลว่าหนึ่งได้บุญคุโเราไหว้พระได้บุญคเราพ่อหนาได้บุญคุโสเราตั้งใจได้บุญ ใจตามได้ดีแล้วได้ความสุขเกิดขึ้นได้ปัญญาเกิดขึ้นคำมันแจ้งใสสะอาดต้องหลักกานได้หูย่านเกิดขึ้นรู้จักว่าเราเป็นเทวดารนี้อยู่ด้วยหมุนกุศลรักษาระกายรู้จักหวะแจกไขนึ่ง นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนคงตนทุกคนในเวลาประเดี๋ยนี้พูดอ่ะจะเนเจ้าตนไหนแพวกเราเกลียดตสางนี้มันเปนอยู่อย่างนี้ตลอดไปใครทังกล้รู้สึกใจยู่สึก ยังไมนรู้